ทีนี้ต่อไปว่าสารณะคาว่าสารณะเนี่ยนะคำว่าสารณะนั้นแปลว่าเบียดเบียนทุกภัยเป็นต้นนะครับคือเบียดเบียนทุกออกไปเบียดเบียนภัยทั้งหลายออกไปอธิบายว่าเบียดเบียนคือทําให้พินาศนะครับกําจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหมดกําจัดอบายยทุกขทุกอย่างนะครับอบายทุกอบายทุกมีหลายอย่างคือเปรตอสุรกายสัตว์นรกเดรัจฉานเป็นต้นเนี่ยนะเป็นผู้ที่สามารถกําจัดอบายทุกทั้งหมดเหล่านี้ได้ แล้วก็สังสารทุ ก, ทกในสังสารวัฏที่ไม่มีที่สิ้นสุดในในข้างหน้าต่อไปเนี่ยนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะกําจัดภัยทั้งหลายเหล่านี้ให้เราทั้งหมดเลยบทว่าสารนังคตานะครับที่ว่าถึงสารณะเนี่ยนะเป็นผู้ถึงคือเข้าถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายถึงคือครบได้แก่ซ่องเสพหมายความว่าเข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความประสงค์นี้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นสารณะคือทรงกำจัดภัยให้แก่เราได้นะครับทรงเบียดเบียนภัยทั้งหมดให้แก่เรานะครับกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหมดให้แก่เรากำจัดอบายทุกขทั้งหมดให้แก่เราแล้วก็โพงศักดิกำจัดสังสารทุก์ทั้งหมดให้แก่แก่เรานะครับพระองค์นี้ทรงเป็นคติคือเป็นที่ไปในเบื้องหน้านะครับหมายความว่าพระองค์รู้สิ่งใดก็จะขอรู้ตามพระองค์สิ่งนั้นนะครับ ทรงเป็นที่ดําเนินไปในเบื้องหน้านะครับหมายความว่าถ้าหาว่าคนจะเดินทางเนี่ยนะโดยมากก็จะเอาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้นําทางเรียกว่าไกด์เป็นต้นหรือว่าคนที่รู้ทางนะชำนาญทางในสิ่งนั้นนั้นเราก็เหมือนกันเราเดินทางไปในสังสารวัตอันนี้พขอเดินตามอย่างที่พระพุทธเจ้าเดินพระองค์นี้เดินไปถึงแดนที่กเกษมและก็ปลอดภยัยเราก็ขอดําเนินเดินตามพระองค์ไปอย่างนั้นเนี่ย น, นะครับ แล้วเรานี้เอาพระองค์นี้เป็นที่ยืดเหนี่ยวนะครับเป็นที่ยืดเหนี่ยวหมายความว่ า, าความรู้สึกนึกคิดของเราทั้งหลายเป็นไปอย่างไรก็ขอเอาพระองค์นี่แหละเป็นเป็นที่ยืดเหนี่ยวนะพระองค์นี้ทรงเป็นผู้ทำลายทุกข์ทรงจัดแจงประโยชน์เกื้อกูลเราทั้งหลายหรือว่าเราทั้งหลาย รู้คือตรัสรู้ตามอย่างนี้นะครับขอรู้ตามขอตรัสรู้ตามพระองค์ทรงรู้สิ่งใดก็จะขอรู้สิ่งนั้นตามพระองค์ลักษณะนี้นะครับชื่อว่าเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะส่วนผู้ถึงโดยนยะตรงกันข้ามตากับนยะที่ได้กล่าวมาแล้วไม่ชื่อว่าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเลยนะครับเนี่ยนะไม่ไม่เป็นอย่างที่ว่าไปเนี่ยนะคือไม่ได้ ถึงว่าพระ อ, องค์นี้สามารถกําจัดภัยให้แก่เราได้หรือว่าไม่ไว้ใจว่าพระ อ, องค์นี้ไปเบื้องหน้าแก่เราได้จริงเหรอนะครับหรือว่าเอ๊ะพระ อ, องค์นี้จัดแจงประโยชน์เกื้อกูลให้แก่เราได้หรือเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือถ้าหากว่าไม่ไม่ยอมรับในลักษณะนั้นก็ชื่อว่าไม่ได้ถึงสารณะอย่างแท้จริงนะครับต่อไปนะครับบทว่าธรรมังสารณังคัตตาเนี่ยนะครับความว่าก็สภาพชื่อว่าพระธรรม พร ะ, ะรธรรมเนี่ยนะครว่าธรรมะเนี่ยนะพระธรรมนี้นะครับเพราะทรงไว้ซึ่งผู้บรรลุอริยมรรคแล้วทำให้แจ้งนิโรธแล้วปฏิบัติตามที่ทรงสอนอยู่ไม่ให้ตกไปในอบายทั้งสี่นะครับว่าคนที่ปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยนะครับปฏิบัติตามอริยมรรคบรรลุนิโรธเนี่ยนะครับปฏิบัติแบบนี้ไม่ตกไปในอบายแน่นอนพระธรรมนั้นโดยเนื้อความ ที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับได้แก่อริยมรรคและพระนิพพานคําว่าธรรมังสรนังขะฉามิตรงนี้นะสับว่าธรรมะนี้สภาวะได้แก่อริยมรรคและพระนิพพานนั่นเองสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูกวามพิสูจนทั้งหลายธรรมะทั้งหลายที่เป็นสังคตะคือมีปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าใดอริยมรรคมีองค์8ดเราตถาคตกล่าวว่าล้ําเลิศกว่าสังคตะธรรมดังนี้นะครับ เขบอกว่าความพิสดารก็ควรทราบดังต่ อ, ตอไปนะครับแล้วยังขยายเพิ่มเติมอีกว่าพระธรรมนี้ไม่ใช่ได้แก่อริยมรรคและนิพพานเพียงเท่านั้นที่แท้ได้แก่พระปริยติธรรมพร้อมทั้งอริยมรรคอริยผลด้วยนะครับคือปริยมรรคอริยมรรคอริ ย, รยผลทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ชื่อว่าธรรมะด้วยนะครับอย่างที่พระองค์ได้ทรงสอนฉัตตานวกะมมน นะครับในคีวิมานวัตถุในฉะัตตะานากะวิมานวัตถุว่าท่านจงเข้าถึงพระธรรมอันเป็นธรรมะคลายความกำหนดเป็นธรรมะไม่หวั่นไหวไม่มีความเศร้าโศกอันปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้ไม่ปฏิกูลเป็นธรรมะภรัราะซื่อตรงเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกดีแล้ว เพื่อเป็นสารณะคือที่พึ่งเถิดนะครับนี้พระพุทธเจ้าแนะนําเองนะครับแนะนําว่าทำมังสารณังฆาชามินะขอบเขตอย่างนี้นะก็บรรดาคุณธรรมเหล่านั้นนะครับมรริยมร์เนี่ยนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าราคฆวิราคะนะครับธรรมะเป็นเครื่องคลายกําหนัดเนี่ยนะครับให้ถึงธรรมะที่เป็นเครื่องคลายกําหนัดว่าเป็นสารณะอันนี้หมายถึงอริยมรรยนะครับ ส่วนอริยผลหรือผลเนี่ยตราเรียกว่าอเนชังอโศกังแปลว่าไม่วันไหวไม่มีความเศร้าโศกนี่นะครับหมายถึงอริยผลส่วนพระนิพพานตราเรียกว่าอสังคตะธรรมคือธรรมะอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้นะครับได้ได้สี่องค์คำแล้ว น, นะคือมรรคผลนิพพานนะครับสามคำนะีเนาะสามคำคือมรรคผลนิพพานต่อไปคำที่สีว่วะครับ ธรรมขันธ์ทั้งหมด ท, ที่ทรงจำแนกไว้โดยปีดกทั้งสามเรียกว่าอัปปติกูลังไม่ปฏิกูลมัทุรังเป็นคำไพเราะปะคุณังซื่อตรงสุวิพัตังทรงจำแนกไว้ดีแล้วพูดถึงซึ่งพระธรรมนั้นธรรมนั้นคืออะไรครับมรรคผลนิพพานและปริยัตนั้นนะครับว่าเป็นสารณะตามนัยะที่กล่าวแล้วนะตามที่กล่าวแล้วกล่าวว่ายังไงกล่าวว่าเป็นสารณะคือกรรจัดไพ่นะครับ เบียดเบียนทุกภัยหรือว่ากําจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ภายในอบายกําจัดสังสารวัตเนี่ยนะพระธรรมทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยนะครับแล้วก็พระธรรมนี้แหละเป็นคติเป็นที่ดําเนินไปในเบื้องหน้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นสิ่งที่ทําลายทุกข์เป็นสิ่งที่จัดแจงประโยชน์เกื้อกูลเรา ett, ทั้งหลายเราทั้งหลายก็ขอตรัสรู้พระธรรมอย่างนี้แหละเนี่ยนะครับอย่างนี้นะครับชื่อว่าถึงพระธรรมเป็นสารณะจึงจะชื่อว่าถึงพระธรรมเป็นสารณะนะครับ ส่วนผู้ที่ถึงโดยนัยะตรงกันข้ามจากที่กล่าวแล้วไม่ชื่อว่าถึงพระธรรมว่าเป็นสาธาะเลยนะครับถ้าตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้วนี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทรเรรนี่นะครับจากตรงนี้ผมสังเกตดูนะไม่มีคําว่าปฏิบัติอยู่เลยพระธรรมนะธรมมังสรารนางังฆาฉามิ ต, ตรงนี้นะครับมีแต่มรรคผลนิพพานและก็พระปริยติธรรมทีนี้ทําไมครับจึงไม่มีคําว่าปฏิบัติอยู่ด้วย นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการปฏิบัติของเราทั้งหลายเนี่ยเป็นกุศลใช่ไหมครับกุศลนั้นถามว่ากุศลนั้นเนี่ยเป็นอุปาทานอคัญใช่ไหมนะครับให้ผลยังมีผลไหมนะมหากุศลของเราทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยนะครับมีผลไหมมีแล้วกิเลสยังอาศัยได้ไหมเป็นปัจจัยตอกิเลสต่อไปได้ไหมได้ เพราะฉะนั้นกุศลทั้งหลายของเราเนี่ยจึงเอาเป็นสารณะนะที่เรียกว่าสารนังฆาชามิไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับอย่างกุศลแจิต ท, ที่เกิดเมื่อเชา้านี่เอาเป็นสารณ ะ, ะได้ไหมล่ะก็หมดไปแล้วนะครับกุศลจิต ท, ที่เกิดเมื่อวานก่อนกุศลเจตนา ท, ท, ท, ท, ที่ปารบศีลเป็นต้นที่เคยเจริญไปแล้วเนี่ยนะยังอยู่ไหมก็ไม่อยู่แล้วเอาเป็นสารณ ะ, ะได้ไหมล่ะนะครับก็ไม่ได้เพราะมันหมดไปแล้วอ่ะอย่างหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าจะกล่าวตามลักษณะของมหาปรินิพานสูตร พระพุทธเจ้าบอกว่า <finishing> ผ <on developed Airbnb> so ู้จะบูชาพระองค์นะครับก็ต้องบูชาด้วยการปฏิบัติอย่าบูชาด้วยอมิตรเพราะฉะนั้นเป็นบรรณาการที่เราจะบูชาพระรัตนตรัยนะครับการปฏิบัติของเรานให้มองว่าเป็นเครื่องบรรณาการที่จะทำเพื่อบูชาพระรัตนตรัยนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยนะครับต้องอนุวา์ตามพระรัตนตรยนะครับไม่ใช่ให้พระรัตนตรยมาอนุวัตามการปฏิบัติของเรา เพราะฉะนั้นบรรณาการของคนยากก็คือปฏิบัติทั้งหลายนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทั้งหลายนี่ก็เอาพระธรรมเป็นหลักเข้าว่าไว้นะครับว่าพระธรรมนั้นแนะนำว่าอย่างไรสอนว่าอย่างไรนะครับเอาตรงนั้นเป็นหลักเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์เอาตรงนั้นเป็นเป็นประธานเป็นประมาณนะครับเพราะฉะนั้นคนยุคนี้โดยส่วนทั่วไปก็จะเอาการปฏิบัติของตัวเองนี่เป็นประมาณเออะก็ต้องปฏิบัติซิโดยลืมไปว่า พระธรรมนะครับคือพระปริยัตินั่นแหละครับเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของเราจริงๆคำว่าพระธรรมนี่นะครับที่โดยเฉพาะปริยัตินี่คืออะไรครับก็คือคาสอนที่พูดถึงมรรคผลและนิพพานนั่นแหละนะครับที่บอกว่าพระธรรมได้แก่อะไรคือโลกุตรธรรมและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระธรรมนั้น เพราะฉะนั้นภาพรประยติธรรมก็คือคําสอนที่ชี้แนว แ, นวแห่งโลกุตระธรรมหรือชี้ให้เห็นโลกุตระธรรมนั่นเองนะครับอันนั้นสอนที่ชี้โลกุตระธรรมเนี่ยนะคำพูดทั้งหมดเหล่านี้ของใครของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าววาจาใดๆนะเรียกว่าพุทธพจน์วาจา น, น, นั้นเรียกว่าภาพรประยติธรรมคําพูดทั้งหมดนั้นนั้นเป็นคําสอนเพื่อชี้ให้เห็นมัด ผลและนิพพานนะครับแบบที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็พยายามเลือกสารตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับไม่งั้นทำมังสารณังฆาชามิก็จะคลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับผู้ที่จะมีพระธรรมเป็นสาระเนี่ยนะจะต้องทรงจำพระธรรมให้ได้นะครับทรงจำพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้ให้ได้มากก็ตามน้อยก็ตามตามสมควรแล้วก็มีพระธรรมนั่นแหละเป็นที่ไปในเบื้องหน้านะครับ ปฏิบัติตามพระธรรมนั้นยกตัวอย่างนะคบเราทรงจำมงคลสูตรได้มงคลสามสิการไม่คบคนพานการครบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นต้นเนี่ยนะคบเออเราเชื่อว่าคำสอนเหล่านี้เนี่ยที่ผู้ปฏิบัติได้ตามเนี่ยนะพ้นทุกข์ได้จริงๆนะครับกาจัดภายในอบายได้จริงๆกํากำจัดภัยในสังสารทุกข์ได้จริงๆ เมื่อปฏิบัติตามนี้นะจะละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นต้นได้จริงๆเชื่อว่าคําสอนเนี่ยสอนให้พ้นทุกข์ได้จริงๆแล้วมีพระธรรมคือมงคล38เนี่ยนําไปในเบื้องหน้าอันนี้ยกตัวอย่างหนึ่งสูตรนะครับแต่นี้ก็เอาทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่ายกตัวอย่างหนึ่งสูตรว่าเออให้เห็นชัดเจนว่าปฏิบัติตามธรรมะไหนนะครับในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีความชัดเจนอะไรเลยต่อไปนะครับ เชื่อว่าพระสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยคือใครพระสงฆ์นี้เพราะประกอบด้วยความสม่ำเสมอกันด้วยศีลและทิฏฐินะครับคือผู้ที่มีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันพระสงฆ์นั้นโดยอัฏฐะโดยใจความก็ได้แก่ชุมนุมแห่งพระอริยบุคคลแปดจำพวกนะครับหมายเอาพระอริยะเท่านั้นนะครับที่ที่เรียกว่าโดยสังขังสระนังข้าฉามีเนี่ยนะมุ่งไปที่ พระอริยะนะครับไม่ใช่หมายถึงภิกษุมีกิเลสนะไม่ได้เน้นไปแบบนั้นนะครับแต่ว่าพระริยะก็ไม่ได้เอาองค์ใดองค์หนึ่งนะแต่เอาทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบสมัยก่อนแล้วนะสมัยก่อนเนี่ยสมัยพุทธกาลพระมหากัจจายนะเป็นต้นเมื่อมีอุบาสกเป็นต้นมาถึงท่านว่าเป็นสารณะท่านไม่ให้ถึงนะครับอย่าถึงอัตมาภาพเป็นสารณะเลยให้ถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์คือหมายคขาว่าถ้าพระสงฆ์เนี่ยอย่าเจาะจงตัวท่านคนเดียวนะ ให้เอาทั้งหมดแหละที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับไม่ควรไปล็อกเอาไว้กับรูปใดรูปหนึ่งเป็นต้นเนี่ยนะครับเอาพระธรรตรายทั้งหมดเลยนะครับพระสงฆ์ผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจ ต, ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะครับมีเท่าไหร่ก็เอาตามนั้นทั้งหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ในที่นี้หมายถึงพระอริยบุคคล8จําพวกนะครับดังคําที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับฉัติเต มานพนะครับในคำพีวิมานวัตถุในชัติมานวกะวิมานวัตถุว่าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวทานอันบุคคลให้แล้วในพระอริยสงฆ์ผู้บริสุทธิ์เป็นคู่แห่งบุรุษสีเป็นบุรุษบุคคล8เพราะเหตุได้เห็นธรรมะว่ามีผลมากท่านจงเข้าถึงพระสงค์นี้เพื่อเป็นที่พึ่งเถิดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะผู้ที่ศึกษาเถระคถามมาเป็นอย่างดีนะ ก็จะเห็นชัดว่าเออผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่เป็นสารณะของเราผู้ที่นำหน้าเราเนี่ยเช่นท่านทั้งหลายเหล่านั้นแหละนะครับอย่าเอาบุคคลมีกิเลสในยุคนี้มาเปรียบแล้วเป็นสารณะเลยนะครับเสียหายมากนะครับบางคนนี้เนื่องจากศึกษ า, เ, าเรื่องสารณะไม่ดีก็ยังจะแอบอ้างอิงเอาตัวเองไปเป็นสารณะให้คนอื่นอีกนะครับน่ากเกลียดมากนะครับ ผู้ถึงซึ่งพระสงฆ์นั้นว่าเป็นสารณะตามนัยยะที่กล่าวมาแล้วชื่อว่าถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะส่วนผู้ถึงโดยนัยยะตรงกันข้ามที่กล่าวมาแล้วไม่เชื่อว่าถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเลยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามจำกัดองค์ธรรมนะคนที่สวดอิติปิโสได้นะสำนวนนะคนที่สวดอิติปิโสได้นะครับ แล้วเอาอัฏฐะของอิติปิโสทั้งหมดนะครับตั้งแต่อรหังจนถึงสวากขาโตสุปัตติปันโนมาพิจารณาให้ครบถ้วนแล้วนั่นแหละครับคือสรารณะของเราจริงๆนั่นแหละคือที่พึ่งจริงๆของเรานะครับนั่นคือสารณะที่เกษมที่ที่ปลอดภัยจริงๆผู้ใดเข้าใจในพระัตนะไตรคือหรืออิติปิโสได้เท่าไหร่สามารถตามระลึกได้เท่าไหร่ถึงได้เท่าไหร่ปฏิบัติตามได้เท่าไหร่ก็ถึงสรารณะเท่านั้นแหละครับถึงสรารณะเท่านั้นจริงๆ นะสิ่งนี้เป็นสมบัติส่วนตัวจริงๆนะครับบุญประเภทนี้เป็นที่ถุกชุกกรรมนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถบังคับให้ใครมานับถือตามได้ด้วยนะครับนะครับเพราะว่าอะไรครับพระพุทธเจ้านี้ผู้ประกอบด้วยคุณอย่างนั้นอ่ะนะถ้าเขาไม่ตามเข้าใจในคุณเนี่ยนะครับเอ๊ะจะถึงได้ยังไงเขาไม่เข้าใจคําสอนอะไรเลยซากอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าคําสอนพระ อ, องค์ดีอย่างเงี้ยก็จะให้นับถื อ, อยังไงพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดียังไงก็ไม่รู้สักอย่างก็ยากเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้น เ, เราควรศึกษาคุณของพระรัตนตรยัยคือของพระผู้มีรพระภาคพระธรรมและก็พระสงฆ์ให้เห็นให้เข้าใจอย่างทองแท้แล้วก็มีพระรัตนตรัยนั่นแหละเป็นที่ไปในเบื้องหน้านะครับซึ่งจะกล่าวถึงวิธีการถึงไตรสรณคมต่อไปนะครับก็ในเรื่องการถึงไตรสรณคมเนี่ยนะครับเพื่อความเป็นผู้ฉลาดในสรณคมพึงทราบวิธีนะครับวินิจฉัย8ปประการเนี่ยนะครับ ถ้ารู้จริงเรื่องไตรสารนาคมนะต้องวิจัยแปดอย่างนี้ได้นะครับถ้าถามว่าสารณะคืออะไรสารณาคมแค่ไหนใครคือผู้ถึงสารณาคมเนี่ยนะพวกคําถามพวกนี้ต้องตอบได้นะครับคือสารณะสารณาคมผู้ถึงสารณาคมประเภทของสารณาคมผลของสารณาคมความเศร้าหมองของสารณาคมการขาดของสารณาคมว่าความของแผ่ของสารณาคมถ้าผมจะตั้งคําถามถามคําถามแรกสารณะคืออะไร แค่ไหนจึงจะเรียกว่าสารณาคมใครคือผู้ถึงสารณาคมนะประเภทของสารณาคมเนี่ยมีเท่าไหร่อา น, นิสงค์ของการถึงไตรสารณาคมมีอย่างไรความขาดสารณาคมเนี่ยขาดได้เพราะอะไรนะครับทํายังไงสารณาคมจึงเศร้าหมองเศร้าหมองเพราะอะไรพองแพลวเพราะอะไรนะครับทําไมจึงทองแพลวเป็นต้นนะครับถ้าตอบได้ทั้งหมดเหล่านี้ก็แสดงว่า โ, โหชัดเจนในเรื่องไตรสารณาคมแล้วนะครับถ้าตอบไม่ได้ก็เรียนต่อไป ครับอ่านะครับในประมตทีปณีอธิบายไว้ชัดเจนเลยนะครับเชื่อว่าสารณะเพราะกําจัดนะครับสารณะเนี่ยเพราะกําจัดนะข่าวกําจัดอะไรกําจัดทุกกําจัดภัยเป็นต้นนะครับนะสารณะเนี่ยนะอธิบายว่ารัตต น, นะคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ย่อมขจัดภัยขจัดความหวาดกลัวขจัดทุกขติประจัดกิเลสทั่วไปได้คือยังภัย ความกลัวทุกขนะครับความหวาดกลัวความทุกข์ทุกขติกิเลส ท, ทั่วไปเนี่ยนะพระรัตนาตรายเนี่ยนะสามารถกําจัดสิ่งเหล่านี้ได้เพราะการถึงสารณะนั่นแหละของผู้ถึงสารณะทั้งหลายคําว่าสารณะนี้เป็นชื่อของพระรตนาตรายนั้นคำว่าสารณะเนี่ยนะเพราะกําจัดได้จริงๆนะครับกําจัดภัยให้แกเราได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นอะนนะภยัยคําว่าภัยนี้เป็นชื่อของความกลัว นะความน่ากลัวอะไรภัยอะไรบ้างครับชาติภยัยชราภายัยชราทีาภา่ภัยมรณะภยัยเป็นต้นนะครับภัยในการติเตียนตนภัยที่เกิดจากผู้อื่นติเตียนเป็นต้นเนี่ยนะพระรัตนตรัยกําจัดภัยทั้งหลายเหล่านี้ให้แก่เราได้นะครับอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าเชื่อว่าเป็นสารณะเพราะกําจัดภัยของสัตว์ทั้งหลายด้วยการให้หันเข้าหาประโยชน์นะครับอะไรที่ไม่มีประโยชน์ท่านจะ ก, กําจัด เราให้หมดแล้วแล้วก็หันให้เราเนี่ยหันเข้าหาประโยชน์นะครับและให้หันเหออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนะครับเพื่อปัดนะพระองค์เนี่ยนะครับผู้เป็นศาสดาเนี่ยนะเรียกว่าให้หันหลังกลับจากความชั่วให้หันเข้าหาความดีนะครับพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ฝึกเราเนะถ้าเราถ้าเราจะเปรียบเหมือนกับมา้าพระพุทธเจ้าก็เป็นสารถ์ถีเป็นผู้ฝึกเรานะครับมาดัด มาฝึกมาหัดเราทุกแง่มุมนะครับพระธรรมชื่อว่าเป็นสารณะเพราะกำจัดภัยของศาสทั้งหลายได้โดยการให้ข้ามพ้นกันดานคือพบและให้ความสบายใจนะถ้ามีพระธรรมจริงๆเนี่ยนะครับพระธรรมจะช่วยให้เราพ้นจากพบอะไรบ้างครับเช่นการมาพบทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะอบายเนี่ยนะหรือว่าแม้กระทั่งพบสามหรือว่า ความปลอดโปร่งโล่งใจนะครับปีติปราโมที่เกิดจากกุศลธรรมทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะก็จะได้อาศัยพระธรรมนี่แหละพระธรรมเนี่ยกำจัดภัยนะครับภายในภพทั้งหลายเนี่ยพระธรรมจะกำจัดให้ทั้งหมดนะครับพระสงฆ์ชื่อว่าเป็นสารณะเพราะกําจัดภัยของสาทั้งหลายโดยการทําผู้บําเพ็ญบุญน้อยให้ได้รับผลภัยบุญนะครับเช่นเราถ้าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าตอนนี้ท่านดับขันธปรินิพานไปแล้วเนี่ย ทำยังไงครับก็อัญเชลีการณีโยก็ได้นะครับหมายถึงการกราบการอภิวาทนะครับการตามระลึกนึกถึงท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะครับอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นดอกไม้ของหอมเป็นต้นเนี่ยนะครับเวลาเราจะบูชาก็โดยการตามระลึกนึกถึงคุณของพระตัตนะตรยัยประทีปโคมไฟเป็นต้นเนี่ยนะครับเพื่อเป็นสังฆบูชาเป็นต้นเนี่ยนะครับระะนั้นก็ทําให้บุญเนี่ยมีผลภายบุญนะครับ เพราะฉะนั้นพระตัตนะไตรจรึงเชื่อว่าเป็นสารณะดังที่บรรยายมาแม้นี้นะครับนี่คําถามแรกนะครับที่บอกว่าสารณะสารณะคาว่าสารณะเนี่ยนะครับเพราะขจัดภยัยทั้งหมดเลยนะครับขจัดภยัยขจัดความกลัวทุกขขจัดทุกขติขจัดกิเลสนะครับขจัดสังสารวัฏให้แก่เรานะนี่นะครับคือสารณะ ทีนี้คำถามต่อไปว่าอย่างไรชื่อว่าสารณคมสารณคมเรียกว่าการถึงสาระเนี่ยนะครับหมายเอาจิตตุบาทจิตตุบาทนี่แปลว่าการเกิดขึ้นของมหากุสลรจิตนะครับที่กำจัดกิเลสด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนั้นคือจิตเนี่ยนะครับไปเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ที่มีคุณอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับ ว่าเออจิตที่มีคุณอันนั้นเนี่ยสามารถกำจัดกิเลสคือราค่าโทสะเป็นต้นเนี่ยนะครับด้วยความเลื่อมใสในพระตนะตรยัยและความเป็นผู้ตรหนักตรหนักในพระตนะตรัยนั้นที่เป็นไปแล้วโดยอาการคือความเป็นผู้มีพระตนะตรัยนั้นเป็นที่ไปในเบื้องหน้าชื่อว่าสารนครนะครับหมายความว่าชีวิตนี้จะขอเดินตามพระตนตรยัย พระรัตนตรายจะแนะนําเราอย่างไรก็จะขอศึกษาตามขอเรียนรู้ตามขอปฏิบัติตามขอให้ท่านนําหน้าเถอะเราจะขอเป็นผู้ตา ม, มอยงั้นแต่ขอเป็นผู้ซื่อสัตย์พักดีต่อพระรัตนตรายนี่แหละนะครับท่านจะบอกยังไงก็จะขอประพฤติปฏิบัติตามนั้นแหละนะจิตแบบนี้นะครับจิตที่ถึงสารณะแบบนี้ชื่อว่าสารณคมนะครับไม้เอาจิตนะครับไม่ใช่ไมายเอาคําพูดเฉยๆนะครับไมายเอาจิตที่เป็นเหตุให้กล่าวคําพูดเหล่านั้นนั่นแหละ สัตผู้พร้อมเพียงด้วยพระรัตนตรายชื่อว่าถึงสารณะนะครับนี่นะคือผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยนะครับที่ทําอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะผู้นั้นแหละชื่อว่าถึงพร้อมด้วยพระรัตนตรายหรือว่าผู้ถึงสารณะจริงๆเนี่ยนะครับเข้าถึงด้วยจิตตุบาทมีประการดังกล่าวแล้วอย่างนี้ว่ารัตนะทั้งสามนี่เป็นของเรานะครับเป็นของเราจริงๆนะครับพุทโธเม่น่าโถวงั้นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรานั่นเองนะครับ อิสานก็วานะ่างกันนะพุทโธเมนาโถว่วางกันพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราฟัางกันนะบอกว่าพุโทโธเมนาโถนะครับพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเร า, น, านะนะสํานวนภาคกลางว่างกันพระรัตนตรายนี่นะครับเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเรานะครับรัตนะทั้งสามเหล่านี้เป็นที่ไปในเบื้องหน้าของเราดังนี้ก็ได้นะครับที่พึ่งของเราคือกําจัดภัยทุกอย่างให้แก่เรา นะครับเรามีพระรัตนตรยัยหรือว่าพระรัตนะทั้ง3มอย่างนี้แหละนำหน้าเราไปนะครับ 3, ข้อ2 อ, อ2กับข้อ3แตกต่างกันนะครับข้อ2เนี่ยหมายเอาจิตข้อ3มหมายเอาศักด ข้อหหมายที่พระรัตนตรัยนะครับข้อ1 ห, หมายถึงองค์ของพระรัตนตรัยข้อ2หมายถึงจิตที่ถึงพระรัตนตรัยข้อ3หมายถึงผู้ถึงนะครับหมายถึงสัตว์บุคคลที่ที่เรียกว่าโดยบัญญัติเนี่ยนะครับทีนี้ว่าโดยประเภทนะครับโดยประเภทนะครับว่าประเภทก็คือการจําแนกนั่นเองสารณคมเนี่ยมี2 อ, อย่างนะครับคือโลกิยะสารณคมและโลกุตระสารณคม ในสองอย่างนั้นนะครับโลกุตระสรณคมเนี่ยโดยอารมณ์นะครับเป็นสารณาคมมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะโลกุตระนะเช่นอนาถบินทิกาเสถียรเนี่ยนะครับไปถึงก็ฟังธรรมแล้วแทงตลอดโสดาปฏิมักก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะขณะนั้นนะโดยกิจย่อมสําเร็จเพราะพระรัตนะตรายเม้ทั้งสิ้นนะครับนะย่อมสําเร็จเนี่ยนะครับเพราะพระตนะตรายทั้งหมดจะมีได้แก่ ผู้เห็นสัจจะด้วยการถึงสารณะด้วยการตัดขาดอุปกิเลสในขณะแห่งมักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเห็นอริยสัจเนี่นะครับในขณะไหนก็ตามผู้นั้นเนี่ยชื่อว่ามั่นคงในพระัตนมตรายนะครับเพราะตัดขาดอุปกิเลสแต่อย่าลืม น, นะไปศึกษาให้ดีนะครับว่าการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยเป็นลักษณะไหนนะครับผู้ที่แทงตลอดอริยสัจลักษณะนั้นแหละครับนะเรียกว่าเข้าถึงพระัตนะตรายจริงๆนะครับอันนี้แบบโลกุตระสารณะคม ส่วนโลกิยะสรณคมเนี่ยนะครับอารมณ์ของโลกิยะคือเป็นสรณคมมีพุทธาที่คุณเป็นอารมณ์หมายคาอว่ามีคุณของพระพุทธเจ้ามีคุณของพระธรรมมีคุณของพระสงฆ์นั่นแหละครับเป็นอารมณ์ย่อมสําเร็จแก่ปุถุชนทั้งหลายด้วยการถึงสรณะและด้วยการข่มอุปกิเลสไว้นะครับหมายคือว่าจิตที่น้อมไปถึงพระรตนณตายแล้วก็ในขณะนั้นจิตก็ไม่เป็นไปกับบาปอกุศลทั้งหลาย โลกิยาสรณคมนั้นโดยความหมายความหมายของสรณะตรงนี้ได้แก่การได้เฉพาะซึ่งศรัทธาในวัตถุทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะครับตัวศรัทธาที่มีคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะครับลักษณะหนึ่งคือของการถึงตรสรณคมหรือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีศรัทธาในวัตถุทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะครับเป็นมูลนะครับศรัทธาอันนี้ต้องมีปัญญาเนี่ยนะครับเป็นเหตุตัปัจจัยนะครับ ไม่ใช่ศรัทธาเฉยๆนะครับเป็นศรัทธาที่มีความเห็นที่ถูกตรงนี่นะครับเป็นรากเงาถ้าในบุญยะกิ ร, ย ik text ik text bubble, ริยาวัตถุ10บก็เป็นทิฏฐิชุกรรมนะครับทิฏฐิชุกรรมในบุญยะกิริยาวัตถุ10บนะครับเพราะฉะนั้นเป็นศรัทธาที่มีปัญญาประกอบนะครับเป็นศรัทธาที่มีปัญญาประกอบและก็เป็นความเห็นที่ถูกเป็นความเห็นที่ตรงนะครับ ลักษณะที่กล่าวนี้เรียกว่าประเภทของสรรนคมนะครับมีสองอย่างนะโลกิยะกับโลกุตระโลกุตระมีนิพพานเป็นอารมณ์โลกิยะนั้นมีพุทธคุณเป็นต้นเป็นอารมณ์นะครับเป็นศรัทธามีปัญญาเป็นมูลแล้วก็เป็นบุญกิริยาวัตถุประเภทที่ถูกชุกรรมที่เคยกล่าวไปแล้วครั้งก่อนโน้นนะครับในการพูดถึงบุญยะกิริยาวัตถุสูตรนะครับที่เคยกล่าวไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับ ทีนี้โลกิยสารณคมนี้นั้นนะครับเป็นไปแล้วโดยอาการสี่อย่างนะครับคือ1อัตตะสันนิยตนะการมอบกายถวายตนนะอย่างหนึ่งนะครับ 2. ตับปรายณนะความมีพระตนะไตรเป็นที่ไปในเบื้องหน้าสามสิภาวุปคมนะการเข้าถึงความเป็นสิทธิ์ 4. ปนิปาตะการนอบน้อมนะครับนะลักษณะของของไตราสารณคมเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับ ในอาการสี่อย่างนั้นการพลีชีพเพื่อพระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าขอมอบตนแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นตายชื่อว่าอัตตสันนิยานะรก็ว่าเป็นการมอบกายถวายชีวิตเลยนะครับมอบกายถวายชีวิตนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเอถ้าหากว่าถวายเป็นพุทธบูชาและทําตัวยังไงต่อไปนะครับจึงจะคู่ควรกับการบูชาครับนั่นแหละ แค่ไหนครับทำตัวแค่ไหนจริงอะหมาก็นี่แหละครับบูชาเนี่ยครับก็บูชาอย่างชั้นต้นก็อมิสบูชาใช่ไหมครับถ้าปฏิบัติบูชาก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าเป็นคารวาตัตก็ปฏิบัติตั้งอยู่ในศีลธรรมของคารวาตัตหรือตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรรมบมนั่นแหละครับ จึงจะเชื่อว่ามอบกายถวายชีวิตแ ด, ด่พระองค์จริงๆถ้าเป็นสั ม, มเณนีนก็อยู่ในศีลของสั ม, มเณีถ้าเป็นพระภิสุก็อยู่ในจตุปริสุที่ศีลแล้วก็ปฏิบัติตามโอวาททั้งหมดนั่นแหละครับทําตามลักษณะนี้นี่แหละชื่อว่าอัตตะสันนิยาตนะไม่ใช่ไปฆ่าตัวตายแล้วก็เอาเลือดในลําคอหลังออกมาราดรถพระเจดียอะไรไม่ใช่นะครับหรือว่าไปจุดไฟเผาก็ไม่ใช่นะครับแต่หมายถึงปฏิบัติบูชานั่นเองนะครับ ว่าจะขอปฏิบัติเป็นพุทธบูชาเลยนะครับหมายคือว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการเจริญกุศล น, นั้นๆเพื่อเป็นพุทธบูชาลักษณะนี้เนี่ยนะครับจึงเรียกว่าอัตตะสันนิญาตนะมอบกายถวายตนหรือว่ามอบกายถวายตัวเป็นพุทธบูชาเลยนะครับว่าตั้งแต่นี้ไปจะขอปฏิบัติตามโอวาตามพระธรรมคําสอนที่พระผู้มีพระภาคทรงแนะนําทุกประการนะครับลักษณะนี้นะครับ